เรื่องทางสายกลางโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยร่วงเลยมาตีห้ากว่าจะสว่างแล้วโอกาสที่เหลือก่อนที่ฟ้าจะสางวันใหม่มาถึงเป็นเวลาที่เราจะได้พูดเตฟังกันในสิ่งที่ ควรจะพูดจะฟังผมรู้สึกเป็นห่วงเพื่อนสาธรรมิกเป็นห่วงเอามากๆเลยเพราะว่าเวลาผมไม่พอเดี๋ยวนี้งา น, นมนมลเยอะต้องที่ยวไปไกลๆเหนื่อยๆเมื่อวานก็แสดงธรรมอยู่ที่โรงแรมสองสามชั่วโมงตั้งแต่บ่ายโมงทึ้งบ่ายสี่โมง พวกท่านอยู่ที่นี่เป็นเวลานา น, านมาแล้วตั้งแต่เขา้าพรรษาอะไรอะไรมันจะเข้าร่องเข้ารอยเข้ารูปเข้าร่างบางแล้วถ้าผูท้ที่มีความพอใจมีชันทะขึ้นมาแต่ก็ยังเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงอยู่ทีดีผมยังไม่อยากจะไปที่ไหนไกลเมื่อวานมีงานนิมนต์ ทางโทรศัพท์ทางไปให้ท่านเจาน้าคณะอำเภอเมืองมาคอยดักผมที่โรงแรมดุสิตรประเสดรม ท, ที่ทางจังหวัดภาค ก, กลางลุ่มน้ำเจ้าพระยาให้ตั๋วที่นั่งเครื่องบินสองที่ผมไม่กล้ารับทั้งไม่อยากไปมันเป็นห่วงพวกเรา ก็เลยบอกเลิกไปสองสามแห่งแล้วที่เป็นห่วงนี่ก็คือว่าเวลาเรามันน้อยที่จะได้อยู่ด้วยกันได้พูดได้จาได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักธรรมเวลาของท่านทั้งหลายก็น้อยท่านที่มาบวชชั่วขาวนี่สามเดือนนิดเดียวแต่ก็จะมีคุณมีค่ามากแต่เรเวลาเราไม่ได้อยู่กับตนเอง อยู่กับงานกับการอยู่กับสภาพแวดล้อมอยู่กับอารมณ์ที่มาทางตาทางหูงทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจปรุงแต่งหมุนติ้ววัดแสงสารอยู่ตรงนั้นพอเรามาบวชสามเดือนนี่ก็เหมือนมาอยู่กับตนเองมาศึกษาตนเองมาทำความเข้าใจกับชีวิตกับจิตใจตนเอง เรื่องที่เราสวดมาเมื่อกี้เป็นเรื่องที่จะต้องทำความเข้าใจให้ได้เรื่องธรรมะจักกับประวัตินสุเป็นธรรมบทแรกที่พระพุทธเจ้าของเราท่านแสดงเรียกว่าเป็นหัวน้ำเป็นเป็นเป็นหัวกะทิแห่งหลักธรรมทั้งหมดและเป็นธรรมที่ท่านในตักสรูเมื่อกี้เราก็สวด ตถาคตณัปปิสัมพุท ธ, ธาเป็นข้อปฏิบัติอันตราคตตถาคตได้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะแล้วท่านยืนยันว่าท่านตรัสรู้ด้วยทำอันนี้ที่เราเอามาสวดกันธรรมาจาักนั้นมีหัวใจอยู่ตรงที่อริยมรรคมีองค์แปดประการ ทีนี้อริยมังมีองค์แปดนี้ยังชื่อว่าทางสายกลางทำความเข้าใจกับทางสายกลางให้มากพวกที่เรียนในนักธรรมในสอบมาจนจบนักธรรมตีโทเอกก็ยังยังไม่เข้าใจอยูยด่ดีๆคอยเข้าใจนะยังไม่เข้าใจอยูยด่ดีๆที่แจกไปเป็นแปดแปดแฟกเตอร์แปดองค์ประกอบ รวมเงินมาเป็นอันเดียวเหมือนเชือกมีมีเกลียวแปะเกลียวแล้วมาฟันเป็นอันเดียวกันปฏิบัติเพื่อจะนําไปสู่ความดับทุกข์ขอวอลลุ่มของของตัวใหม่ขึ้นเอกทศดูดเสียงจนปอดแห้ ง, ห, งหมดเลยทําไมไม่เหมือนเก่าหรือว่าเป็นที่ใหม่ก็เนไม่ถูกกระพมแห้งไปเลยเสียงหมดเอาวอลลุ่มของใหม่เอง คำมคทางสายกลางคำว่าทางสายกลางนี้จะต้องทำความเข้าใจถ้าไม่มีสัมมาทิฏฐิความเข้าใจเบื้องต้นก็ไม่ใช่ทางสายกลาง ไม่ใช่ทางสายกลางถ้าหากไม่มีสัมมาทิฏฐิโผล่ขึ้นมาก่อนทีนี้เมื่อไม่มีทางสายกลางไม่มีมัชฌิ ม, มาปฏิปทาข้อปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์ก็มีขึ้นมาไม่ได้ตัวพมจันยอยู่ตรงนี้ตัวศาสนาอยู่ตรงนี้มันมันดูดบอดแห้งวะ <c oughs> ไม่ถูกกันเลยกับตัวเนี้ย หมดเสียงนอะผมสดไปก็หมดพูดเนี่ยกดดูดไปหมดูดเมื่อวานนี้สามชั่วโมงยังไม่เหนื่อยเข้มามันาพูดอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเยวไม่รู้เสียงพวกคุณทำย่างไรนะเริ่มันเป็นที่เสียงของเองคือมันจืดจืดเชิดเฉิดเรื่องทางสายกลางถ้าหากไม่เริ่มต้นโดยสมาธิความเข้าใจอย่างถูกต้อง น่าจะมีไม่ได้ขอเข้าใจว่าทางสายกลางนั้นไม่ต้องรอให้มันมีทั้งสองมาขนาบข้างจึง่จะรู้จักกลางไม่ต้องรอให้มีการไปลองให้เต็มที่ในเรื่องกามและไม่ต้องรอไปจนกว่าเป็นการทรมานตนเองจนสุดเวียงไม่ต้องมี สุดตองทั้งสองเี่ว่าเอตีตพิกเวอุโโอันเตบอกชัดได้ว่าอุโพอันเตเอเตเตพิกเวอุโพอันเตมชมาปฏิปทาข้อปฏิบัติอันเป็นทางสายกลางนี้ไม่เข้าไปหาที่สดทั้งสองอย่างไม่จำเป็นจะต้องมีทั้งสองอันนั้นเราก็สามารถ เข้าถึงทางสายกลางถ้าหากเรามีสมาธิธิสมา ธ, ธินั่นก็คือความเข้าใจต่อธรรมชาติกฎของธรรมชาติและตัวชีวิตทั้งหมดที่มันเป็นตัวธรรมชาติกฎของธรรมชาติเข้าใจธรรมชาติของชีวิตและ จุดหมายแห่งสูงสุดแห่งจิตใจที่จะนำไปให้ถึงนั่นคือเป้าหมายของมันเมื่อเราเข้าใจธรรมชาติแห่งชีวิตและเป้าหมายสูงสุดแห่งจิตใจที่จะนำเข้าถึงเราจะพร้อมที่จ ะ, ะเผชิญหน้าทุกอย่างเผชิญกับความจริงทุกอย่าง ความทุกข์นั่นแหละคือความจริงที่สุดที่เราจะต้องพบกับมันและเราจะต้องเผชิญหน้ากับมันอย่างรับผิดชอบเต็มที่ระบบของอริยมรรคมีองแปะนั่นคือระบบแห่งการจัดการกับชีวิตของเราเองด้วยมือสองข้างของเราถ้าเข้าใจเรื่องอริยมรรคมีองแปะเข้าใจเรื่องสัมมาทิฏฐิขึ้นมา ก็จะก้าวล่วงก้าวล่วงการหวังพึ่งสิ่งภายนอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์อิทธิฤทธิปฏิหารแม้เทวดาฟ้าดินเทพเจ้าเครื่องรางของขังทั้งหลายก็หมดความหมายเป็นเครื่องวัดสมา ธ, ธิิเป็นเครื่องวัดพุทธศาสนิกชนด้เก้ ถ้าหาเครื่องรางของขังสยศาสตร์การหวังพึ่งอ้อนบอนเส้นสวงบวงบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์อิทธิฤทธิ์ปฏิหารทั้งหลายยังมีเกลื่อนกล่นในหมู่พุทธบริษัทก็พึ่งรู้เถิดว่ายังไม่มีสมาธิิยังไม่รู้จักทางสายกลางยังเข้าไม่ถึงมัก นี่พวกคุณฟังให้ดีๆนะอนเดปัญญาชนทั้งนั้นที่ผมเป็นห่วงที่สุดก็กลัวไม่เข้าใจในเรื่องเหล่านี้แหละเติมมาตั้งแต่ตีสองแม้จะเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากที่อื่นไกลๆงานเยอะๆนี่ผมก็มานั่งกับพวกท่านมานั่งทำไมนั่งปกมีนะมีคนเชิญผมนี่มนผม พาไวา้ตัวเครื่องบินอย่างดีให้นั่งเครื่องบินเข้าไปไปนั่งปูกเสกในกรุงเทพในที่อันใหญ่โตในสถาบันหลวงเขผมไม่ไปผมไม่ไปใครอยากจะขี่เครื่องบินก็ออกไปเถอะตัวเครื่องบินไปแทนผมมันก็ได้อันนั้นมันเป็นการนั่งปกวัตถุอิฐหินปูนทรายปกไปแล้วก็ทาท่าปลุกเสกด้วยภาษาบาลี แล้วก็เอาไปขายได้เงินแต่มันไม่เป็นไปเพื่อสติปัญญาไม่เป็นไปเพื่อความเจริญรุ่งเรืองมั่นคงแห่งศาสนาแต่มันเป็นไปเพื่อความเสื่อมผมก็ไม่ไปถ้าใครบอกว่าไม่ไปไม่ได้ผมก็จะได้คือไม่ไปเหัวเด็ดตีนขาดทงก็ไม่เอาทีนี้มีคนอยากขี่เครื่องบินเขาก็ไปแทน ผมพอใจที่จะมานั่งปกนั่งปกพวกท่านทั้งหลายนั่งปกคนเนี่ยปกพระเนนที่เดินไปเดินมาได้แต่ขายไม่ได้พวกเนี้ยทั้งปกแล้วก็ปุกเสกขมนั่งปกมาตั้งแต่ตีสองกับพวกท่านเดี๋ยวนี้ก็จะปลุกยังไม่ตื่นด้วยซ้ำเนี่หลับไปเจ้าก็มีได้๋ยนี้ไม่รู้จะปลุกยังไงมากรอบว่าปลุกออกยังวะเป็นอจดูดรสศาสตเจ้าของเ อ, อยเยังไงด้นะ้ สงสารตนเอกวางว่างเลยความจริงนึงผมนั่งอยู่ข้างบนพรอมตื่นมาตั้งแต่ตีหนึ่งของนั่งข้างบนผมก็สบายมีความสุขเพราะเวลาผมไม่มีกลางวันก็ต้องให้คนอื่นแต่ผมต้องมานั่งอยู่กับพวกท่านเป็นพี่เลี้ยงเป็นที่ปรึกษานั่งปกให้กําลังใจนั่งทนดูพวกท่านนั่งหลับพระงอกประแงกมั่งนอนก็มี ปกซะจนหลับเลยนอนก็มีนอนบนนอนสืบเสือนั่งบนนั่งสืเสือบางคนยังปล่อยแก๊สพิษออกมาเอกใส่อุปุธเคมีออกมาเอกเจ้าของบอจังงังเลยเสยตุย้ยเพิ่งออกมาบอจังเหม็นจะหอมเจ้าของนั่งลับเสยเราอยู่ใต้ลมทางนี้ก็รับไปเต็มเป่ากนะ็ไม่ว่าอะไร เพราะมันเป็นไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ใช่ความจงใจของพวกเราแหละมันก็เป็นธรรมชาติแต่ถ้าผู้ผู้นั้นตื่นด้วยสติก็คงไม่ทำอย่างนี้ก็คงจะลุกออกไปก็คงจะลุกออกไปลิลิสเนเจอร์โดยธรรมชาติออกไปแต่นี้เปล่าเลยนั่งฟังเสียงไปฟังใสอาวุธเคมีออกมาประลบเลยอใช่ เวลาของผมไม่มีจะไปไกลๆองก็เป็นห่วงพวกท่านทั้งหลายนี่แหละก็ยังไม่เข้าใจเพราะนั้นดังกล่าวแล้วว่าถ้าสังคมชาวพุทธเรายังเต็มไปด้วยการปกการปลูกเสกเครื่องรางของขังนั่งทางในไซยศาส์เสกเป่าเหล่านี้ก็เพิ่งรู้ถิ่ว่าพุทธศาสนาของเราไม่ได้เจริญอะไรมีแต่จ ะ, จะเสื่อม เมื่อกี้เราพูดอริยมรรคมีองแปดอริยมรรคมีองแปดนั้นก็คือความเข้าใจในระบบธรรมชาติของชีวิตจิตใจของตนเองและธรรมชาติภายนอกจากขบวนการของธรรมชาติที่เราทำความเข้าใจมาสู่ขบวนการปฏิบัติของมนุษย์ต่อธรรมชาติคือชีวิตก็คือตัวธรรมชาติจนไปถึงที่สุด แห่งจิตใจส่งไปถึงที่สุดพ้นจากวัตสงสารหลุดพ้นไปจากทุกพรหมจรรย์นี่ก็คืออริยมรรมีองแปดมีวิมุติเป็นเป้าหมายอย่าลืมว่าพรหมจรรย์นี้ไม่มีอย่างอาื่นมีความหลุดพน้นวิชาวิมุตเป็นอานิสงส์เป็นเป้าหมายโดยก่อนที่สุดทั้งหลายพรหมจรรย์นี้นี่มหาสาโลภ ะ, ะโสท่านว่าเหมือนคนถือ คือขวานไปปาถนาแก่นไม้ไปเห็นต้นไม้ใหญ่ๆบางคนก็ไปเด็ดเอายอดอ่อนๆมันบางคนก็ไปเอาเปลือกหแห้งมันสเก็ตสเก็ตแห้งๆยังไม่ใช่เปลือกบางคนก็ไปถากเอาเปลือกมันเข้าใจว่าเป็นแก่นบางคนก็ไปเอากะพี้บานเฮาเอิญเราไปเอามอกมันมอนหนึ่งไปเห็นหยอดรดดอนกันี่เด้แก่นใหม่ก็เด็ดเอา คนหนึ่งฉลาดกว่านั้นหน่อยนึงเห็นเห็นยอดอด่ อ, อนๆเนไม่ใช่แก่นตรงนี้ก็ไปเอาสเก็ตมันแห้งๆนี่อีกคนหนึ่งฉลาดกว่านั้นนิดนึงลงมาบอกว่าไม่ใช่แก่นแก่นมันคือตรงนี้ใต้สเก็ตแห้งๆนี้ที่แท้ก็คือเปลือกคนหนึ่งฉลาดขึ้นมาอีกวันอันนี้ก็ยังไม่ใช่ต้องใต้เปลือกนี้เข้าไปคือกับพี่ภาษาผ่าอิสานหม้อ ส่วนคนผู้ฉลาดก็เข้าถึงแก่นฟันเอาแก่นไม่เอายอดอ่อนๆไม่เอายาสเก็ตแห้งๆไม่เอาเปลือกไม่เอากะพีหลัง่างนั้นท่านก็เปรียบเทียบลาบสักการะที่คนนำมาถาวายมากๆเสียงสรรเสริญเยินยอไปในแหหน้าแหหลังเหมือนพระเจ้าแผ่นดินสเสด็จอันนั้นพระพุทธเจ้าจว่ายอดอ่อนๆมัน ยอ ด, อดอ่อนๆของผมมจันทร์ยังไม่ใช่แก่นต่อมาก็สะเก็ดแห้งๆไม่สนใจเรื่องลาบสักระเสียงสนรเสริญเยินยอพวกง่ายว่าไม่ปาถนาความเด่นดังร่ำรวยไม่ถือว่าอันนี้เป็นผลของพมมจาันทร์เสริมขึ้นมาอีกต้องการรักษาสินสิ้นอย่างเคร่งคัดสินบริสุทธ แต่ความเข้าใจสินมันก็ยังน้อยก็เลยมันหยุดอยู่เพียงแค่สินสินนั้นท่านเรียกว่าสะเก็ดแห้งๆดูกรณีศูนย์ตั้งหลายที่ศูน์ในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีสินแต่จะสำเร็จโดยสินหามิได้แน่มีลึกกบ่านั้นเองเรื่อรักษาสีนดีงามเท่า น, นี้ก็พอใจไม่ก้าวล่วงต่อไปเกินกว่านั้น พอพอแล้วเนี่ยคือคือตัวพมาจาันทร์พระพุทยาวมันเป็นสเก็ดแห้งๆต่อมาอกีกไม่ไม่สนใจในในใ น, ในเรื่องราบสักระรักษาศีลก็ดีก้าวมาถึงสมาธิดังที่พวกเราทำอยู่ตรงเนี้ยอย่าไปหลงอีกนะโวนั่งสมาธิแต่เด็กมันต่ตีสองของมือขอมือเนี่ยยอดพมาจันทรยังไม่ใช่อกีกอันนี้เ่าเปลือกมันเปลือกได้หนิอยู่ไต เก็ดแหงแต่เมื่อเจริญสมาธิแล้วก้าวล้ำลึกลงไปอีกถึงญาณทัศ น, นะมีฤทธิ์มีเดชมีหูทิพมีตาทิพมีอภิธานมีแมชกันพาวเวอร์ซูเปอร์นอร์มอลเอ็กตาเซนซอรี่ขึ้นมามีความพิเศษทางประสาทของจิตเห็นอะไรไกลๆรู้อะไ ร, ประแปลกๆที่คนเขาไม่เห็น เห็นเทวดาฟ้าดินเห็นนิมิตเห็นอะไรอันนี้แหละสุดยอดแล้วท่านยังไม่ใช่อันนั้นหมอกมั่นผันวาะยังเป็นเพียงกะพี่แต่ก้าวล่วงสิ่งเหล่านี้ไปไปถึงความหลุดพ้นไม่หมกมุ่นสยบไม่ติดข้องขัดขาแม้แต่สิ่งเหล่านี้แหละบริโอนซอนสิ่งแหล้วนี้มีฤทธิ์มีเดชอะไรกันใช่ พยายามที่จะทำลายอาสวะปลดปล่อยจิตให้หลุดพ้นออกไปหลุดพ้นออกไปหลุดพ้นออกไปอันนี้ท่านเรียกว่าวิมุตติสาราสารานี่ก็ตรงกับคำว่าสาระแปลว่าแก่นท่านสะกดด้วย อ, อักษรตัวราเรือวิมุตติสารา ดังเราเริ่มต้นว่าฉันทะมูลกามีความพอใจเป็นรากแล้วมณสิการะสัมภาวากการกระทำไว้ในใจก็เกิดขึ้นมาพร้อมกันถึงพร้อมอย่างนี้มันส่งมาเป็นท่อท่อถอดเมื่อมีความพอใจแล้วก็มีการกระทำไว้ในใจหลังจากนั้นมันก็จะส่งกันต่อไปจากการกระทำไว้ในใจนั้น ก็จะเกิดทุกอย่างที่มากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจจะเป็นต้นเหตุให้เกิดธรรมเขาด่ามาก็ได้ธรรมะทำมันถึงจุดนี้แล้วบว่าฉันทางพิกเวชาเดติอาลปฏิจิตตังนมติภิกษุนในธรรมวินัยนี้ประคองจิตใจให้เกิดความพอใจในการประพฤติปฏิบัติพรมอากัน อยากเราไม่พอใจมันหงุดหงิดมันอะไรตอนนีน้ประคองมันให้เกิดความพอใจหาอะไรมาประมวลถึงความพอใจในการบวชความพอใจในการปฏิบัติสินสมาธิปัญญาเมื่อเกิดความพอใจแล้วใจมันจะไปไหนไม่ว่าจะทำอะไรไปนั่งท่ายอยู่ในห้องน้ามันก็มนสิการะสมภาวะมันนะไปไว่าใจสิการะสมภาวะมันก็ทำอยู่ในใจตลอด อะไรอะไรทำอะไรอยู่ทำงานทำการส่วนรวมอยู่ใจนี่มันก็คุ้นพิจารณาอยู่แต่ในเรื่องทำรรแต่ยินเสียงเพื่อนพูดกระทบกระทั่งแทนที่มันจะไปโกรธไปโมโหในสิ่งไม่ดีได้ธรรมะเขายกต้องมาก็ได้ธรรมะเขาด่ามาก็ได้ธรรมะพัสะทุกอย่างพัสะสมุทยัยตาไปเห็นรูปของขี่เ ล, ย, ลย่ได้ธรรมะ นั่งวิ่ดีเพื่อนปล่อยแก๊สพิษออกมานี่ก็ยังได้ธรรมะอีกด้วยตึงออกมาอาบุตรเคมีเรานั่งอยู่ใต้ลมเต็มเป้าด้วยธรรมะพัสสะสมุทัยาพิจารณาไปอย่างไรก็ได้นึกเห็นหนาา้าขาวๆผมยาวๆปากแดงๆคิ้วโกง่กงๆมันตึงลงมาแก๊สพิษของมันหอมไหม่มันก็อจะขึ้กันนิดรัวมันเลยไปยังส่วนน ย, ยังได้อีกคิดก็ไปเสี หรือยังก็แยกธาตุธาตุสี่ขั้นห้าออกมาโอ้ลมพัดมาในท้องลมในไส้ลมเหล่านี้มันพัดอูจาระออกมามันต้มีเจ้ของสกรปรกสมบมคิดไม่สิ้าหางมีฉันทะเป็นรากมณสิการะถึงพร้อมก็ทําไว้ในใจผัสสะทุกอย่างไม่ว่ารูปไม่ว่าเสียงไม่ว่ากลิ่นไม่ว่ารสไม่ว่าสัมผัสไม่ว่าอารมณ์ใดเกิดขึ้นในใจม่ได้เหตุจะให้เกิดกู้ศรธรรม แมนน่นได้ว่ามันจะเกิดอกุศลแต่ว่าถ้ามันไม่มีรากครึ่งก็ปลูกแล้วไม่ถ้ามีรากเกิดแล้วมีงอกเกิดแล้วใส่น้ําลงไปใส่ปุ๋ยลงไปมันได้รับเต็มเป้ามันเจริเวทนาสโมสาลนาเวทนาคืออารมณ์ทุกอย่างฟิลลิ่งทุกอย่างเป็นที่ประชุมลงแห่งธรรมสมรสานสมรสารนา ดีใจเราก็ได้ธรรมะเสียใจเราก็ได้ธรรมะเฉยเฉยเราก็ได้ธรรมะเวทนานเหล่านี้ทำให้เราฉลาดหลังจากนั้นก็ปัญโยตระปัญญาก็เจริญขึ้นเจริญขึ้นเจริญขึ้นปัญญาเป็นยอดนี่เหมือนต้นไม้นะมีรากมีมียอดขึ้นมาให้ทั้งพร้อมหลังจากนั้นก็เจริญด้วย ภาษาเวทนาต่างๆล้วนจะเป็นกุศลธรรมให้ปัญญาเจริญเรียกว่าปัญญุตรามีปัญญาเป็นยอดแทงขึ้นไปแทงขึ้นไปแทงขึ้นไปสตาที่ปเจียสติก็ทํางานอยู่ตลอดมีอะไรก็สติทํางานตลอดเป็นใหญ่สมาธิปมุขขาสมาธิเป็นหลักเป็นประหารอย่างนั้นเมื่อเป็นชนนันสติปมุขขาหลังจากนั้นมันก็ยังลง อมตะคาถาอย่างลงสู่อมะตะวิมุตติศาลาก็เข้าถึงแก่นสารคือวิมุตติวิมุตติเนี่ยเป็นแก่นของของพมาจาันเหมือนต้นไม้ที่มีแก่นเพราะฉะนั้นเราจะต้องเข้าใจว่าหลักอริยมรรคมีองแปดสัมมาทิฏฐิเข้าใจเบื้องต้นเลยให้ได้ว่าการปฏิบัติการมาบวชของเรานั้น มันจะต้องครบในอริยมรรคมีองค์แปดที่เราพูดนั้นมันมีศิลงมีสมาธิมีปัญญาสองข้อแรกเปิดหนังสือของท่านครบทวนดูก็ได้สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกปาความดําริชอบสองอันเป็นปัญญาเวลาเราพูดเราบอกว่าสิ่งจะมาที่ปัญญาแต่เวลามาในมรรคเนี่ยปัญญาขึ้นมาก่อน ปัญญาขึ้นมาก่อนนะสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปัปปะความเห็นชอบความดำริชอบดำรินี่ไม่หญังดำริพระราชดำริถ้าความคิดของพระเจ้าฟแผ่นดินหน่วยดำริพระราชดำริความดำริชอบนั้นก็หมายว่าความคุ้นคิดความหวังความปาฏิหาริต่อไปนี่เป็นความชอบในนี้ถนะ้าหากว่าเราเข้าใจมีสัมมาทิฏฐิมีความเข้าใจชอบ ความดำริมันก็ชอบขึ้นมาความคิดปรารถนาตั้งใจมันก็เบนไปสุดทางที่มันชอบสองอันนี้เป็นปัญญาแตบบ่ปัญญารุ่นแรกนะยังไม่ใช่ยังไม่ใช่ปัญญาที่พูดถึงว่าสินสมาธิปัญญาพูดแบบนี้พูดถึงผลมาพูดแบบเรียังแบบมักจะเป็นเหตุนำไปสู่ผลแต่พูดแบบสินสมาธิปัญญา อย่างนี้ความจริงนั้นปัญญาจะต้องนำหน้าแล้วไม่มากก็น้อยปัญญาในช่วงนี้ช่วงลงทุนประพฤติปฏิบัติเป็นเพียงข้าวปลูกเป็นเพียงเมล็ดเผาพันแห่งปัญญาคือันเรเขาจะเห็นหน้านะี่ยนะเขาปลูกว่าร้ายไป็นไอนดอกข้าวพืชมีสั ก, กสอบหนึ่งเอาไปหวานเป็นเชื่อแล้วมันจะเริญง้องงามก็ถอนออกไปดาตัวนี้ขยายขยาย พอมันเป็นลูกเป็นหมาเก็บเกี่ยวเข้ายุงเข้าฉางก็ข้าวมึอ น, นกันกับข้าปลูกแต่คนละข้าวข้าูกินบ่พอพอ่พอพอเลี้ยงกุ้มปีบดเพราะนั้นมันไม่จบอยู่เพียงสัมมาสมาธินะที่เราพูดเนี่ยมันเป็นข้อปฏิบัติพอถึงสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะแลังจากนั้นก็สัมมาวาจาสัมมากรรมันโตสัมมาอาชิบอกสัมมาวายาโม สี่อันสามอันนี่สัมมาวาจาสัมมากรรมตาสัมมาอาชีโวนีะการพูดจาชอบการกระทําการงานชอบการเลี้ยงชีวิตชอบเป็นสินเลี้ยงชีวิตตีเรียวกว่าบสินนะเลี้ยงชีวิตเนี่ยถ้าถ้าผิดเลี้ยงชีวิตในทางผิดก็เป็นเป็นการทําลายสินในทางพระนี่ท่านท่านบีไว้เลยหากจะไป ดังที่เราเห็นเกินก้นอยู่อย่างนี้ผมไม่แน่ใจละเท่นี้ไม่ว่าไม่แน่ใจผมไม่ไม่เชื่อเลยว่าท่านรักษาสินชนิดนี้สมบูรณ์เพราะสัมมาอาชีวะของพระนี่หนึ่งกูหนาเว้นจากหลอกลวงเขาอลัพนาเว้นจากพูดจารียบเคียงหลอกลวงทาไมเมื่อเราทําเลี้ยนทําอะไรต่ออะไรแบบมันดีอย่างนู้นอย่างนี้โฆษณากันรุ่น ขี่แรดขี่ชา่างขี่เสื้อขี่ ซ, ซิงมีหมดก็ซื้อไปลับปนาเรียบเคียงไม่ตรงตรงก็เรียบเคียงน้องน้าให้เขาหลงเชื่ออันนี้นำมาซึ่งลาบสักหละอันนั้นก็ไม่ได้นิเปศรศิกตาคูเข็นคูเข็นอยากเป็นภ่าหมอดูมีโอกาสมากคูเข็นแมดวงคุณตกต่ำมากปีนี้ ถ้าเป็นภาษาภาษาอีสานว่าเส้าตาขาดขาดฮักลักคนตายขาขากะขักเจาปีนี่โตพึงก็บ่มมีโตสเสวยแห้งหลายผสุม ข, ข้าวผสมเสาแทกต้องดาบสีเขินแก้พม่ชาติแก่สตาหลวงเนี่ยเนี่ยคู่เห็ดเป็นบอกอ้ยก็มีแต่ข่อยเนีเห็ดแถวเนี่ยสบายต้องเสียค้าคู่ค่าค่ายเท่านั้นเท่านี้พวกหมอดูก็เหมือนกันพระหมอดูเยอะเลย จบด็อกเตอร์มาไม่ได้เอาลักษณะเอาความรู้ด็อกเตอร์มาสอนศาสนาพุทธมาปฏิบัติธรรมเอาด็อกเตอร์มาเป็นด็อกเตอร์หมอดูด็อกเตอร์ดูนั่งทั้งวันไม่ทําอะไรดูหมอมาแล้วคนมาดูหมอสมมากเป็นผู้หญิงเสําเกือบยองเอิบบองมาเึืหน้ารถไปกุฏิเต็มไปด้วยรองเท้าจองจองจะไปหาก็ไม่ได้ท่านรับแขกแขกขัานก็คือพวกเขามีทุกข์ เรียนจบด็อกเตอร์ข้ามฟ้าข้ามทะเลมาเป็นพระอย่างดีเพื่อนผมบเนี่นั่งดูหมอคุณต้องแก่อย่างโน้นอย่างนี้นะผูกดวงเท่าไร่ป0ร้อยขั้นทำเป็นไหมทำให้คนโน้นบางคนนี้บา่งไงเลือกเคียงอีกด้วยก็มางิดลักษณะเหล่านี้ผิดสเปกที่ว่าสมมาอาชีวของพระนางพูดถึงพระนะของโยมก็ยิ่งหนักเข้าไปอีก้ายอัน นี่สัมมาวายามะความเพียรชอบสัมมาสติสัมมาสมาธิสามอันเนะี่ยเป็นสมาธิพอเรามาเรียนดูมากกว่าปัญญาศินสมาธิแต่มันไม่จบเพียงแค่นี้เราเรียนกันเพียงแค่นี้แต่เมื่อมันมีปัญญาศีลสมาธิจากสมาธินี้จะส่งให้เกิดปัญญา แต่มันมันไม่ใช่ปัญญาธรรมดาแบบปัญญาแรกๆมันเข้ามาสู่ระดับยานมาสู่ระยับระดับยานเมื่อกี้เราจึงจึงพูดเรื่องมรรคที่พระพุทธเจ้าของเราว่าตถาคตเตนะอภิสัมภู ธ, ธาเป็นสิ่งที่ตถาคตได้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะแล้วจักคุกรณีนี่นี่นี่จับจดตรง น, นี้ได้ว่าจักคุกรณีเป็นเรื่องทําให้เกิดจักสุเป็นเครื่องมือทําให้เกิดจักสุมรรคแปด จักสูนีถ้าเราไปธรรมดาก็ไปวาตาบวมีตาสันบอกพระพุทธเจ้าตะกี้ตาบอดมากสันบอกแบบมาบวชพีบพอดจังมากอดจักขุกรณีจังเหตตามองกองขึ้นมาไลยมังคนละตาแล้วคนละตาแล้วตอนนี้เป็นเพียงจักสูเพียงให้มองเห็นเมื่อยิ่งกว่าจักสูตรอมานั้นก็มาถึงญาณนะกรณีคุณก็ดูตามหนังสือเถอะนะว่า จากขุกรณีเป็นเครื่องกระทำให้เกิดจากสุยานะกรณีเป็นเครื่องกระทำให้เกิดญานนี่ น, น, น, นีนี่คืออะไรเราจะเห็นได้ช่ว่าจากสุนี้ก็เพียงแต่ให้มองเห็นธรรมด า, ายานลึ ก, กุงไปกว่า น, นั่นอีกความรู้ธรรมดาขั้งแรกเหมือนข้าวพืชเหมือนข้าวปลูกเหมือนเมล็ดพันธุ์บันนี้เมล็ดพันธุ์นั้นเนี่ยออกลูกออกหมากแล้วแต่มันเกี่เกี่ยวเป็น เป็นญาณเหมือนญาณญาณเกิดมาจากความรู้ต่าๆธรรมดาพัฒนามาถึงขั้นสูงโดยอาศัยศีลอาศัยสมาธิหลังจากนั้นญาณเหล่านี้ก็ทําให้จิตใจรู้สึกปล่อยวางมากขึ้นความสงบก็เกิดมาหลังหลังปัญญาก็มีคั้งแรกสมาธิอบรมปัญญาปัญญาก็ไปอบรมสมาธิสามายเข้าไปสงบวงบหลังจากอุปสามาัยแล้วไปไหนอย่างเงี้ย ตอานี้มีบัญยายิ่งขึ้นไปอีกอภิน ญ, ญายะเป็นใบเพื่อความรู้พมอมเป็นใบเพื่อความรู้ยิ่งเพิ่มขึ้นเอาพิไปว่ายิ่งไปว่าเพิม่มไปว่าตืมิมบานท่องว่าเติมครั้งแรกมีเพียงจักษุให้มองเห็นต่อมาก็เริ่มมีอย่างเมื่อเริ่มมีจักษุแล้วการปฏิบัติตามอรมิยมังมีองค์แปรเริ่มมีจักษุครั้งแรกเป็นเป็นความรู้นิดน้อย ว่าอันนี้เป็นบาปอันนี้เป็นบุญอันนี้เป็นคนอันนี้เป็นโทษเท็ดีพอปฏิบัติรักษาสินดีเข้าไปเองสมาธิเพิ่มเราไปก็เกิดญาณญาณนี้ก็เกิดทรงผลต่อไปให้สมาธิลึกลงไปอีกอุปสามายะเข้าไปสงบเป็นไปเพื่อความสงบในอุปสมายะหลังจากนั้นความสงบนี้ได้ระดับหนึ่งก็ส่งให้เกิดอภินญายะรู้ยิ่ง เพิ่มความรู้ขึ้นมากกว่าจากขุกรกณีมากกว่ายาณกรณีตรงนี้มาสู่คาว่าอภินญยายะรู้ยิง่งรู้ยิง่งขึ้นมามาถึงความรู้อิ่มตัวไม่มากไม่น้อยอิ่มตัวคือไปถึงการทำลายความทุกข์ได้ความทุกข์ไม่สามารถขยายอยู่ในใจิตในใจและตั้งอยู่ไม่ได้ความรู้ก็พอดีไปถึงที่สุดดับทุกอันนี้จึงเกิดคํานึงว่าสัมโทธทายะ เป็นไเปเพื่อความรู้พร้อมรู้ยิ่งมาถึงรู้พร้อมรู้พร้อมก็คือรู้อัตโนมัติเลยพอดีเป๊ะๆของมันแล้วยังกันนิพพานายะสังวตติเป็นไปเพื่อนิพพานเนี่เพราะนั้นระบบของมัดเนี่จะต้องเริ่มต้นด้วยความรู้จากขุกรณียะนกกรณีรู้เรื่องราวของธรรมชาติแห่งชีวิต จ, จิตใจและ เาหมายในการปฏิบัติจะต้องมีเป้าหมายตรงนั้นมันอาจจะไม่เกี่ยวกับไอ้สองอันข้างนี้เพราะนั้นไม่ต้องไปลองผหตไม่ต้องไปลองถว่าพระพุทธเจ้าวางสเปาคืออยู่ที่เป้าหมายอยู่ที่เป้าหมายเข้าใจว่าเป้าหมายอยู่ตรงนู้นเข้าใจธรรมชาติชีวิตจิตใจของตนเองให้ดีแล้วก็นำไปสู่เป้าหมายนั้นก่อนที่จะไปสู่เป้าหมายนั้นจะต้องเข้าใจธรรมชาติชีวิต ของตนเองกิจกของตนเองชีวิตนี้จะต้องประสบพบผ่านกับความทุกข์จึงบอกว่าความทุกข์ตัวนั้นเกิดขึ้นความทุกข์ตัวนั้นตั้งอยู่แล้วความทุกข์นั้นดับไปนอกจากความทุกข์หามีอะไรแม้ก็คือความบีบคั้นเปลี่ยนแปลงกันอยู่ตลอดนั่นแหละเรารเผชิญหน้ากับความทุกข์ไม่จะหลบทุกหนีทุกไปไหนเจะว่าเป็นระบบแห่งกา ร, รเผชิญหน้ากับความจริงรับผิดชอบต่อการกระทําพูดคิดของตนเอง จัดการกับชีวิตของตนเองก้าว่วงความเส้นสวงบวงบนอ้อนบอลเทวาอารักษ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์อิทธิฤทธิ์อภิเนหารต่างๆหมดความหมายเมื่อเข้าใจเรื่องสัมมาทิฏฐิขึ้นมาเราจะต้องเข้าใจอย่างนี้ไม่ต้องอ้อนบอนแล้วไม่ต้องโอกาสาโอกาสานาะโอการนี้่กับจะจะสามาทานเอาสึ่งพระกรมรมฐานเสร็จแล้วสุดท้ายก็ขอ ขอขณิกส ะ, ะสมาธิโอปจารสมาธิอปัณนาสมาธิและวิปัสนาญาณจงบังเกิดมีในคันธสันดานของขพเจา้าและก็นั่งรั้งแรกก็โอก า, าสะสก่อนต่อมาก็ขพเจ้าจะสมาทานเอาซึ่งพระกรมรมฐานมีสติไว้ในลมหายใจเข้าออกสิบหนร้อยหนร้อยห น, ห น, ห น, หนผันหนขอขณิกส ะ, ะสมาธิโอปจารสมาธิปัญนาสมาธิ หลังจากนั้นบางแห่งมากไปกว่า น, นั้นขอบารมีหลวงพ่อนั่นหลวงพ่อนี่ขอบารมีหลวงพ่อนู่นหลวงพ่อนี่อาจารย์นู่ น, อ, นอาจารย์นี่โอ้คือจึงง่ายแต่ขออะไรปั่นนั้นพระพุทธเจ้าว่าตถาตาโลอักขาตาโลตถาขาตาหนังฮิกเวเราตถาคตเป็นเพียงผู้บอกชี้ทางให้เท่านั้นนะ ตุ้มเฮหีกิจจังกาตับผังความภาคเพีเยรพยายามให้เข้าถึงจนไม้ปลายทางเป็นเรื่องของพวกเธอนะเราช่วยอะไรเธอไม่ได้นะเดี๋ยวนี้มันโหกกันไปหาอาจารย์หนึ่งก็ข อ, ขอมอบตัวมอบชีวิตจิตใจกับท่านอาจารย์ปริจฉามิสลัดแล้วชีวิตบูชาท่านสละบูชาพระพุทธเจ้าแล้วก็อธิษฐานกรรมฐานบูชายางดีขอบรารมีพระพุทธพระธรรมพระสง บางอย่าก็ขอบามีอาจารย์ที่ตนเองเข้าไปถึงนั่นนงกล่นพันอุ่นจ่อยบ้านสมควรแก่เวลาเล้ยวพระวะลงไปกินข้าวต้มแล้วแจงแล้วมีระบอร้อข้าวต้มพระวะโวยลองบึงทนอีพอใหญ่ข้ว่าจริงง่ายวันนั้นพระพุทธเจ้ามาซอยห้องวัดระบกเพราะนั้นเรื่องอารียมัชมีองแปบนั้น คือการเข้าไปจัดการกับชีวิตของตนเองด้วยมือของตนเองด้วยการรับผิดชอบโดยสติปัญญาที่เข้าไปรู้ธรรมชาติชีวิตจิตใจและเป้าหมายแห่งพุทธมจรย์เมื่อเราก็จะเป้าหมายแล้วก็ลงมือเลยจัดการทีน่นี้ก่อนที่จะเข้ามาถึงตรงนี้มันมีปัญหามากก่อนที่จะเข้ามาสู่มักเนี่ยไอที่ผมไปเที่ยวเทศตรงนู้นนี่ก็เมืองกับไปเอิ้นคนไปเรียกคนเข้ามาสูมัก ขนทางอันนี้พระประสงสารอันเต็มไปได้วยความวุ่นวายเต็มไปได้วยความมืดมนเต็มไปได้วยความเร่าร้อนเต็มไปได้วยความลุ่มหลงเนี่ยยังมีเส้นทางที่ทอดตัวยาวเหยียดเส้นทางความบริสุทธิ์ไปสู่เป้าหมายอันจะออกจากความมืดมนร่าร้อนกระวนกระวายแต่เส้นทางสายนี้มันก็คลอดอยู่อย่างเนี่ยบุคคลทั้งหลายก็หลงไปหลงทิศหลงทางไปเหมือนเดินในป่านในดลง ที่นี่ครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์เจ้าบางทางยังศาสนาแต่ละศาสนาก็เหมือนกับเส้นทางเป็นมั้งแต่ทางแต่ละศาสนานั้นจะไปสู่จุดจบที่ดับทุกข์ที่เป้าหมายโน้นหรือไม่มันก็เลยไม่มีพระพุทธเจ้า บ, บอกว่าก่อนที่ท่านจะตายนะท่านเทศกันหนึ่งก่อนที่จะตายคืนนั่นแหละไม่ไม่ถึงสงชั่วโมงก่อนที่จะตายท่านในเทศเรื่องนี้ ขณะนั้นพระพุทธเจ้าในเทศจนตายทำงานตายคาที่เลยสิมบอกยังสำเภาเนี่ยพอเพอราะแอกแอกอันนี้มีคนคนหนึ่งแกกระหือกะหอบจะไปหาพระพุทธเจ้าเชื่อสุภัทภสาวโบองค์สุดท้ายพ่สุทังหลายกีดกัน ก, น, น, นกันพระอนุนกันพระอะไรกันทั้งนั้นจะเข้าไปเลยพระศ า, าสดากำลังอาภาษหนักทุกเวทนาอยู่คุณจะเข้าไปรบกวน หมอนีก็ขอให้ผมได้เข้าไปหานิดเดียวก็ได้ครั้งเดียวครั้งแรกที่ผมมาเนี่ยเป็นครั้งสุดท้ายขอเถอะก็ต่อรองกัินถึงสามครั้งวันนี้ห้ามลกเดียวอาวุธยากําลังไข้หนักเลยกําลังเข้าขั้นโคมา่าเลยท่านได้ยินท่านได้ยินเพราะสติสมบูรณ์ยจิตใจท่านไม่ได้ป่วยไข้เนี่ยร่างกายป่วยไข้ไปจิตใจท่านไม่ได้เป็นอะไรอโรมคยะไม่มีโรคแล้วไม่มีอะไรจะเข้าไปเสียบแทงอยู่แล้วเรื่องจิต ท่านก็บอกว่าพวกเธอว่าอะไรห้ามอะไรโต้อะไรกันอานนท์ก็มาบอกเรื่องราวให้ฟังผู้ใหญ่บอกให้เขาเข้ามาสิเวลาที่จะพบกันมันก็ยิ่งน้อยให้เขามาเถอะอนุข้อเขาคนนี้ถือศาสนาอื่นอยเป็นนักบวชเป็นปริภาชกปริภาชกเป็นนักบวชประเภทหนึ่งมันมีปริภาชกอะเจโลกมีชะดินมีอะไรตัวอะไรเยอะแ ย, ย, ยะในสมัยนั้น สุพัทธะปริภาชก็เข้าไปก็ไม่ถามเลยแทนนี่จะถามธรรมะนะทำมันนอกาศาสนาของท่านไปนะมีไหมาศาสนาอื่นที่มีสมณะที่หนึ่งสองสามสี่คือพระโสดามันสกิทาคาอนาคาอรหันศีระดับนี้มีไหมพระพุทธเจ้าของเราเขาบอกว่าเวลาของเราก็มีน้อยทำไมเธอไม่ถามอย่างอื่นทำไมไม่ถามว่าทำยังไงจะเข้าไปถึงความเป็น สมณะที่หนึ่งสองสามสี่ไปถามหาทําไมเรื่องนั้นเวลาเราหนอยเราขอบอกให้เธอได้ทราบว่านอกจากอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แปดประการนี้จักไม่มีเลยแต่เมืว่าจักไม่มีเลยนอกจากอริยมรรคมีองค์แปดอันเป็นตัวพรหมจารี้จักไม่มีสมณะหนึ่งสองสามพูดง่ายว่าทางมีเยอะแยะ ทางคือศาสนานเป็นตัวทางทอนําศาสนิาให้เดินไปทางจิตใจแต่ไปแล้วมันไม่ถึงที่สุดมันออกไปไม่ได้จากทุกน์คนโลราณท่าอีสานเลยพูดไว้คํานึงว่าท่างายเสน็นตามใจให้เหลือกไตขันเจ้าหมักเส่นเวิร์งทางเลี่ยวก็หามีเมื่อได้เที่ยวทางเวิร์งหฮงลายมันสีขำเมื่อได้กินมากกวา มันศีรษะคาทา่าความหมายรัดกุมมากแต่เราก็พูดกันเล่นๆหัวๆไปเองน่ะพอกว่าคนโบราณได้คนโบราณ น, าานต่มีความหมายปรัชญาที่รลงเรืองผมพอใจมากตอนเป็นเด็กๆผมจําตั้งแต่น้นอยๆนกอีเอียงกินหมากโพให้แซ่ลแซลเสียงเบามีโตห้องแซ่ลแซลห้องโตเดียวเบิ้งหมูเบิ้งหมูนั่นหักเหม็นเอียงคู่โตครั้งแรกว่าแซ่ลแซลเสียงบามีตัวห้อง เซลล์เซลล์ห้องต้นเรืองบัตรโม่บัดหโม่นั่นหักเป็นเอียงคู่โตเอียงขึ้นกันเอ้ะบอกมวลืูสือบัตใหญ่มันเอ๊ะบอกก็คนบมเต็มบาทไปแต่ความหมายมันมีเหมือนกับเส้นทางทา้งหลายเส้นตามใจแห่เลือดไตมากเส้นเวิงทั้งเลี่ยวก็ะหามีขันมุดแต่เที่ยวทา้งเวิงเฮิงหลายมันสืคำเมื่อแต่กินมากกว่ามันสืสาคำทั้งทางตรงก็มีทางอ้อมๆก็มี ไม่ถูกทางก็มีหลงไปหลงมาเมื่อมัวมัวเทียวทางอ้อ ม, มทางเวงดีทัวอยู่เรื่อยก็ไม่ไหวพระเาวัว่าดีทัวดิทัวมีทางเบี่ยงทางอ้อมหลังจากนั้นมันก็ชาตายทิ้งไม่รู้กี่แสนชาติแล้วเกิดมาในวัฏสงสารเนี่ยแล้วมันมีทางทางเดิมของชีวิตบางทีเรา จ, จะคืศาสนาหนึ่งบางทีเราก็ไปคืบศาสนาหนึ่ ง, บา ง, างบางทีก็ไม่มีศาสนาเดินไปเหมือนตาบอด บางทีก็เดินไปเดินไปไปก็ทางเส้นนั้นก็ไปสดลงพบกับความมืดกับทางตันท่านพุทธเจ้าของเราท่านก็เลยตัดบอกสุภถท่านบอกว่าอากาเสวะประทังนัตถิพาหิโรนัตถิสมโนนัตถิพาหิโรเหมือนในอากาศในท้องฟ้าเนี่ยจะไม่มีรอยเท้าของผู้ใดหลังจากนั้นบอกสมโนนัตถิพาหิโร สมณะภายนอกพหิพญิระพญิโรภายนอกสมณะภายนอกจากอาริยมรรคจากธรรมในนี้ไม่มีตรมมะหนึ่งสองสามเหมือนกับบนอากาศเนี่ยไม่มีรอยเท้าเพราะฉะนั้นถ้าไปตามทางนี้จะมีสมณะหนึ่งสองสามในอริยมรรคมีองแปดแล้วโซฟัทะนี่กระถามมาทำยังไร จึงจะสา ม, มารถเข้าถึงที่สุดสุดแห่งทุกออกจากทุกได้พระพุทธเจา้าก็บอกว่าง่ายๆเยเตหิคเวสัมมาวิหะเรยุงอสุญโยโกอรหันเตหิอสสะถ้าเธอทั้งหลายผู้สุดทั้งหลายทั้งหมดเนี่ยเป็นอยู่โดยชอบในอริยมรรคแปดชอบเนี่ยเป็นอยู่โดยชอบสัมมาวิหะเรยุงเป็นอยู่โดยชอบ โลกก็ไม่ว่างจากพระอาหารหันต์จากไม่ว่างจากพระอาหารหันต์เลยถ้าไปอยู่ชอบแปประการเนี่ยผมยังมีน่อยผมอ่านพอ่ออย่า น, นหนังสือผมไปถามยศคู่ดีแล้วว่าให้ตายที่ไนแล้วเป็นจานเถาอยู่นี่อายุเจ็ดสิบละซิเป็นเจ้าอาวาสบวชมาสาปีสามสิบปีซิกมไม่อ่านพ่ออ่างนี้นหนังสืออเยเตพิกเวส ม, มาวิหะเลยยุงอสุญโยโลโกอรหันตอิอัสตะ ถ้าพิสูเป็นอยู่โดยชอบโลกไม่ว่างแก่พระอรหันห่วยเนี่ยท่านเ้ามันเปอยู่โดยชอบจงบาเป็นทออรหันน้ำฝนเขาอยู่เนื้อเยื่อไปเนยหน่อยสันผ่าหันแล้ววะจะมาถามหาพระอรหันย่ำมันเบิดลผะแหงแลววะสันเจ้าตอนบูนเออแต่สันผ่าดึงหัวเดียวล้วะมัดขมบ่หนุ่เราถามหาพระอรหันเราเอาสันผ่าให้อาริยมมากมีองค์แปดแล้วก็บรตอบมันยังเป็นอยู่โดยชอบแล้วก็บรตอบ มพ น, นันล่องไม่ว่างแก่พระอรหันต์เสภธาธะขอบวชทันทีเลยขอบวชเลยมั่นใจแล้วทางสายนี้ทีนี้พระพุทธเจ้าว่าเธอเป็นปริพาชกนักบวชนอกศาสนาเธอต้องอยู่ติถีญาปริวาดเป็นนาคสัก่อนสี่เดือนติถิเปลิว่าติถีญาปริวาดปริวาดแปลว่าเข้ามาอยู่เฉพาะในท่านี้ก่อนสักสี่เดือน ดูว่าเธอจะแน่นอนไหมพอจะบวดไหมสุภธาบว่อย่าว่าแต่ี่เดือนเลยสีปีก็เอาขอให้ได้บวดได้วบวดมือนังสับบาทนี่ได้วบวดมือนังจ่อยเพราะศรัทธามันกล้ามากฉันท่ามันกล้ามากบอว่าแตสี่เดือนนี้ยปียงก็เอามาว่าใช่เพราะนั้นเรื่องอรียามากมีองแปดท่านสอนจนตายท่านสอนจนตา ย, นนตายว่าให้เป็นอยู่โดยชอบแปะปากานี้ โลกก็จะไม่ว่างจากพระอรหันต์ที่นี่ทางเส้นนี้ก็เลยทอดตัวอยู่ในโลกนี้ผู้ที่จะนำคนมาหาทางทีววาา่ว่ามัคควิถูภาษาบาลีว่ามัคควิถูผู้รู้ทางอย่างแจ่มแจ้งก็อาศัยพระสงค์เป็นมัคควิถูอย่งางน้อยบุคคลนั้นต้องเข้าถึงธรรมมั่นอยู่ในอรยิยมรรคนี้เดินตามองค์มรรคนี้ มีครบแปดประการนี้อย่างธรรมดาหรืออย่างกลางๆสูงสดุดจึงจะพามหาชนเข้ามาได้เพราะฉะนั้นชนทั้งหลายเกิดมาในโลกนี้ก็เหมือนเขาเกิดมาเดินอยู่ในดงในป่าลงทิศลงทางเขาต้องการที่จะดับทุกต้องการที่จะออกไปพระเจ้ า, จา ก, ก็ตะโกนเรียกเมื่อเียก็ไปจูงเข้ามาบางทีบางคนเขาติดจูงมาก็ไม่มามันเกาะอะไรอยู่ก็เอาสิ่งที่เขาติดนั่นเนี่ยเอาไปยื่นให้ไปล่อ ให้เขาจับแล้วก็ดึงมาทั้งขวงมาถึงก็มาแกะแกะออกจากสิ่งที่เขาติดแล้วก็ให้เขาเดินไปเมื่อเขาติดเครื่องรางของขังเขาติดของดีภายนอกเขาเป็นทุกข์ใจเขามาโอ้ยอยากงดน้ํามดเด้จะเป็นทุกข์เป็นยากเป็นยศสันติองศ์สตอนนี้เขาไม่ได้อยากมาวัดเขาไม่ได้อยากมาวัดเขาไม่รู้จักทางเขามืดอยู่แล้วแต่เขากําลังหาทางบางทีก็ถ้ามีของดีไหม นอนไม่หลับฟันไม่ดีเคาะไม่ดีอย่างนู้นอย่างนี้เขามาหาเนี่ยนั่นเขาอยากมาหาหางเขามีทุกข์เชนี้ถ้าหากบางบางท่านท่านก็นเลยเอาสิ่งที่เขาติดนี่แหละเขาเข้าใจว่ามัดนั้นคือรถน้ำมนันทําแล้วก็สบายใจมัดได้ขอของไปแขวนคอบางท่านก็นเอาสิ่งที่เขาติดเนี่ยยื่นให้เขาก็ติดนะเขาก็มาบ่อยๆนี่มาบ่อยๆมาบ่อยๆแล้วก็ไม่แกะเขาออกจาก่เขาติด เอามาเจ้าของตีดลงกันบาทเนี้ยเจ้าของก็ตีดกเาะมได้เงินย่อนไว้แนเหนือเฮ็ดไวเลยตีดลงกันมาลงึงนั่งบาทเนี้พระพุทธเจ้ากลิงติดตังดูความพุทธสูงหลายเรื่องเคยมีมาแล้วลิงติดตังครั้งแรกก็ไปตีตังเนี่ยมือไปจับซะก่อนตีดมือหนึ่งกับมือสองก็ไปแกะมาเนี่ตีดสองมือบาเนี่ตีนหนุ่มก็ไปอีกตีนสามตีนสี่หุ่มก็ไปอีกบาทไอ้ตึงสี่ะาลงตึงนึ่งเพาว่าเหมือนพระภิกษุ ติดลาบครั้งแรกก็ได้น้อยๆเอ้มันทำแบบนี้มันถูกดีไบร์ลดน้ามนบ้างให้เลียนไปบ้างให้ผ้าประเจียดไวบ้างแต่กุดโพลไมงมาเรื่อยๆแ้านี้ก็สร้างรูปแบบเออต้องมาวันอังคารนะมันจึงขังพระวาลละนี่ห่อนมือวันอังคารเนี่ยมากขนาดเต็มวัดเต็มว่าเลยวัดเสร็จแล้วตนเองเริ่มติดเอาเอาเอ า, เอาหม้อไปตั้งไว้เอาเทียนไปจุด ให้าปากหม้อมันเปรอะเลอะเทอะด้วยน้ำมนต์เป็นดอกเป็นดวงหลังจากนั้นก็เอาฝ้ายหลายสีไปมัดฝ้ายปูกแขมทวาระหันเนี่ยผูกเสกแล้วเขว่าเอาตู้บริจาคไปตังออ้งอเนกไปหันบัตรเนี่ยเขาก็มาเอาก็ยอดตูน้นี่หลายๆเขาอยากได้พี่เซกับปาหัวกระมอมให้อีกมาเนี่เซ ก, ก บ, บานเข้าไปอีกมาเนี่หลังจากนั้นกับรดน้ำมนทน้นน้ำมันต์เข้าไปอีกสักกระมอมเซก บ, บานเข้าไปได้เงินตะพึดติ ต, ตังอะไรบารีลิง ลิงติดตังมาลงทงนางบุรุษยวลิงติดตังทิกสุติดลาบสักการะในที่สุดเธอก็ไม่มีอะไรที่จะวิเศษไปกว่าเขาล้อมันน้ำเงินผ้าเขาเหมืดบัดลงทางไปน้ากนันเดินว่าตามบอดจูงตาบอดจักใส่ไปใส่บอดก็บอดจูงกันมั่นเหม่ยผ้าหอยไปใสบ่บอดมู่ก็ไปนิดนึงไปเรื่อยไป เพราะเหนั้นอันนี้สำคัญมากเป็นเครื่องประกาศเป็นคะแนนให้แก่าศาสนาอาริยมรตมีองค์แปดยังไม่ถึงรุ่งรุ่มถ้าหากคนดังติดอยู่กับสิ่งเหล่านี้ทีนี้ทำอย่างไรคนจะเข้าถึงมรกมันจะมีอยู่ลักษณะที่เรียกว่าปัจจัยปัใจจัยให้เกิดสัมมาทิฏฐิเมื่อมีสัมมาทิฏฐิอย่างเดียวอีก เจ็ดสัมมานี่ตามมาเป็นแถวเหมือนเหมือนเหมือนรถไฟอาศัยหัวจักอันเดียวนั้นตู้จะมีกี่ตู้ก็ตามหัวจักแลนทุกกระ卡车ทุกกระก车ทุกกระ卡车หลากมันไปเป็นแถวเลยตั้งแต่เมืองอุดรถึงกรุงเทพลงไปถึงถึงสงขาหาดใหญ่ตั้งแต่เมือ ง, าาง อ, อุบลเข้าไปถ้าหัวจักรมันโตล่างปอ ก, กนา่งรถมือ เราบอกเลยว่าสัมมาทิฏฐิสั ม, มาทานังสัพพทุกขังอุป จ, จัคุ้งเมื่อถือเอาความเข้าใจอย่างถูกต้องแล้วก็พ้นจากทุกทั้งปวงไม่ต้องพูดถึงอีกเจดอันมันจะถูกต้องถ้าหัวหน้ามันถูกต้องอันนี้ทำยังไงเราจะสร้างสัมมาทิฏฐิอันเป็นหัวหน้าแห่งมรรคขึ้นมาได้อริยมันมีปัจจัยอยู่สามอัน เ, เขียนลงไปเลยปัจจัยภายนอกของมันหนึ่งปรัโตโธโคสะภาษาบาลีหน่อยนะปรัโตโธ โ, โ, โคโสะปรัตโธสะแปลว่าเสียงโฆษณาบอกกล่าวจากผู้อื่นจากผู้รู้คือตรงนี้เราจะต้องฟังเสียงซะก่อนข้อที่หนึ่งข้อที่สองกัลายาณมิตรตา ต่นนี้ลงสู่การปฏิบัติเลยนะคือบางทีได้ยินหรือไม่ได้ยินก็ตามกัญยาณมิตรนั่นคือคือบุคคลสภาพแวดล้อมของเราเนี่ยดีงามกัญยาไปหวังงามไปบดีมีมิตจริตจิอย่างพวกเราอยู่ด้วยกันเนี่ยเราทำให้เกิดปัจจัยสมาธิเททำไมเราต้องมานั่งสมาธิด้วยกันเวลาตีครองตีตะขงังทำไมไม่ปล่อยให้ต่างคนต่างทาในกุติห้าสิบหกสิบองค์ เพราะว่าถ้าลองปล่อยให้ทํำมันสีนังได้พราะสามสิบหน้าที่เดรายเนเนี่ยมันบ่มีกัญญาญาณมิตรแป๊บแป๊บเจ้าก็สมควรแก่เวลาแล้วท่นก็เสีลงไปในตัวนี้ตีเยอะข้งกับตีพวกกับตีซื่อๆแล้วหงมือแล้วลก็ น, นอนตอกัญญาญาณมิตรสองอันนี้อันหนึ่งได้ยินได้ฟังจากผู้รู้เสียงจากผู้อื่นจากท่านผู้รู้สื่อสาร เครื่องพิมพ์อย่างทุกวันนี้ได้อ่านทุกวันนี้อย่างเทปในี่ช่วยไปได้ดีมากเลยผมไปตามบ้านนอกไปกไกลๆตามวัดตามวารู้สึกว่าพระเนนเปิดเทปอาจารย์สมภพเทศอไปกับของใบบ่มีภูมิหัจักผมไปที่นครสวรรค์วันนั้นรู้สึกจะเป็นอำเภอตะขีเขานั่งสมาธิกัน ข, ขาวเพล่คนหลายร้อยคนนั่งไม่มีใครเทศมีแต่ผมเทศ แต่เป็นเทพเขาเปิดจ้อยได้เลยตัวคนเทพจริงๆเดินผ่านไปโอ้เขานั่งฟังเทศกคนดีปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิผมก็เดินไปเขาคนนี้ก็นั่งอยู่เป็นชั่วโมงสองชั่วโมงฟังเทศในแนวปฏิบัติอาณาปานาสติแต่เขาไม่รู้เลยว่าผู้เทศเดินดอ้ดอมๆผ่านเข้าไปเขาไม่รู้เลยเท่ารู้วันนี้เขาก็ยังไม่รู้ผมไม่เคยแสดงคําตรงนั้นเลยแต่ผมไปเยี่ยม ผมไปจากสลักบุรีไปดูว่าเขาทำอย่างไรกันมีคนเอารถมารับไปดูเขานั่งสมาธิคนหลายร้อยคนเทศจะเป็นเสียงผมหนึ่งในเทศผมก็เดินหาไปแล้วมีคนมาท่านอาจารย์บอกให้เขารู้จักไหมแสดงเนื่องๆเขาฟังเทศมันดีเ่าจะไปบอกเขาใยังไากันใช่อันนี้ก็เรียกว่า oh ปรตโขโศปรต่ว่าอื่น ปรโตโคโสะเสียงจากแหล่งอื่นจากผู้อื่นจากผู้รู้หรือจะเป็นหนังสือที่ให้เราอ่านก็ได้สิ่งพิมพ์ต่างๆเหล่านี้สามารถทําให้เราเกิดสามาธิถิได้แต่ในขณะเดียวกันถ้าปรโตโคโสะที่เป็นมิจฉาทิฐิมันก็หลงปัจจัยมิจฉาทิฏฐิก็คือกันเหตุที่จะให้เกิดมิจฉาทิฏฐิก็คือมิจฉาปรโตโคโสะและ้วก็เรื่องกับปา ป, าปมิตรตา ไม่ใช่กนะัญญาญณมิตรมิตรบาปมิตรชั่วไปพอบูบดีก็ไปนั่งกันบนหมู่เพราเหตุ น, นั้นสองอันนี้สําคัญเรามานี่เราเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นกัลยาญณมิตรให้กันผมมาเป็นกัญญาญณมิตรให้แก่ท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายก็เป็นกัญญาญณมิตรให้แกกัดแหลกันขี่ขานเด้เด้เดี๋ยวบนหมู่ขึ้นกินเขาน้ากันยุบมือเศ้า น, นี่วะบ่ได้กินเองดีกว่าเขากับน้ากันอยู่น้าบาดพวกโยกปานห้างมาขึ้นกัน มันสิตายหายแต่เฮาแถ่นี้มันเริ่มนะมูคือไปนนางขีข่ขานอืนอดบาดแม่มูก็ขี่ขานหรือเฮาเพราเขาขเจ้าคือป้ายเนี่ยนั่งไปบางคนมันอาศัยอาศัยมานะมาอยู่กับเพื่อนเห็นเพื่อนมันฮิกเราก็อยฮึกเลยมันสิตายหายอยู่บ่กเขาก็คือเ่าฮึกโดนน้องเขาเมันก็บเรื่องบาตรไงมันเรื่องมันชินท่านเรียกว่าทำมานังปฏิเสวติเสพจนขึน้น มอกว่าเฮ้ยเพื่นนก็นั่งรับเป็นแท้เฮาสินั่งรับเพรเป็นบ่อจมาโมจะปวดได้คิดแต้ตาไปทางว่ามันเมื่อยขึดมันเมื่อยปวดอะไรรับป่านนี้เอาเวลามากระํานาในการนั่งลับอีกหล้วเนี่ยพคนนั่งรับเนี่ยเพปวดขาบอกปวดบวดทันสิท่านปวดยังนั่งปรับ่ทันเพราะซีนที่ปวดมันปวดรับก่อนปวดแล้วปั๊บแล้วคอก็บปวดเพื่นถ้าปวดน้ําหลังคน ตื่นขึ้นมาเจ็บคอเท่ปวดขาเดี๋ยวปวกระยาโค้งแล้วปวดหน้าหลังไงก่อนนี้มันจะปวดได้หลับซะก่อนแล้วสงบก่อนนี่ถ้าหากเราทำจิตให้สงบเร็วๆมันก็ก้าวล่วงทับเวทนาแต่ก็ยังเป็นหินทับย้าโจแต่เวลาตื่นขึ้นมาป๊บเนี่มีประโยชน์อย่าพึ่งลุกอย่าพึ่งไปไม่เล็กแค่ครงถ้านอนนั่งหลับตื่นขึ้นมานี่ มันอิ่มนะมันจะไปอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งลุกไปดูมันจะคิดอะไรหามันปวดก็ดูมันปวดตอนนี้ดูย้อนหลังเรียกว่าเวทนาในเวทนาขัดลุกก็อ่าเออขึ้นบีดชิ่งลุกขึนได้มันแรงเข่งข้างหัวดนน่คิกินเวลาหาอยู่หากินเวลาวันไหจับยังกำหุ่นยันเธอปากนั้นหนึ่กักิเลสอ้วนปันยังก็เก่าแล้ววันนั้นตื่นขึ้นมาอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเพราะฉะนั้นเวลาเืิดมาทำวัดเนี่ยสังเกตได้ พระพได้นัง่งสมาธินานๆอาจจะงงทําวัดไวหรือบ้านเนี่ตื่นขึ้นแล้วนั่นแสดงว่าไม่ได้หล่อเลี้ยงสมาธิไม่ได้หล่อเลี้ยงสติทําวัดก็ให้มันนิ่มนวลพูดจาถ้อยคําที่ไพเราะนุ่มนวลประสานเสียงพิ จ, จนารณาไปกราบก็กราบลองอย่างนิ่มนวลขึ้นมาอย่างนิ่มนวลเป็นมุทุหวังอ่อนโยนนิ่มนวลเมื่อกลาบต่อหน้าพระพุทธเจ้า มันเป็นปามคุปอบอยู่ไว้ไว้สามเถื่อแล้วเถื่อสองเถื่อหนึ่งบวกเมือแล้วเถื่อสี่เถื่อมันไม่มีสตีเอาอยู่เพือเรือตั้งนโมหอดสี่นโมก็บมีแล้วเถื่อสองนโม ห, หนึ่งเจ้าสังกามีเพราะเราไม่ได้เรียงสมาธิถ้ามันนั่งหลับเติมมาปั๊บมันอิ่มแล้วมันมีของให้ดูดูลมหายใจดูความเจ็บปวดตามคอตามหลังตามเอว เอาปวดนั้นมาดูเวทนาเวทนานุปสนาการทำวิปสนาให้เกิดขึ้นในการดูเวทนาให้เห็นความรู้สึกมีความรู้สึกฟิ e l i n g อิ f ฟ e ล i ิ g o อ f e ฟิล n ิให้เห็นความรู้สึกในความรู้สึ ก, feeling, feeling, feeling. นส ก, นสกบนความรู้สึกมันมีอะไร่มันมันมันฉลาดนะว่ า, าพุทธเจ้าท่านสอนเราดีดีเป็นมวย มนสมัยพุทธกาลก็มีพระนั่งรับเก่งๆนี่เยอะแยะพระอรหันนีแห่งนั่งรับเก่งแต่วัานนั่งรับมีประโยชน์ได้ตื่นขึ้นมาพิจารณาใครควรทําอะไรจะไปทําประโยชน์อะไรวันนี้พระอรหันนี่มีแประโยชน์ในหัวใจหันเดินเลาะๆไปเนี่ยเห็นเข็มหล่นอันเดียวในี่ยท่านเก็บเห็นจานเห็นถ้วยอะไรเนี่ยท่านเก็บได้ลนลงถ้า ม, มันพอสนก้นเข็มได้เนี่ยท่านให้เก็บทำไมเก็บตุ๊ปตาเอกประทุปปกบดจะหล อ, <ร>อแ ก, กแจกแหลกขึ้นอย่างเนี่ย นี่แตระเบียบระเบียบคือเป็นการฝึกจิตใจให้ละเอียดให้รู้จักรับผิดชอบแม้แต่เข็มเล่มเดียวแล้ว เ, าเอาไงวะย่างไปสอนสเตตเลทหิมอยู่นํัมุ น, นันบาตกองก้นกุดดอยู่หล่อนหนังจ้ากองไปเป็นกองไปป่ะเฮ้ยเราจะไเห็นบอสหนะไดฟันสิดาด่าก็เป็นนึกพระพุทธเจ้าด่าให้มีประโยชน์ทีนี้พอตื่นขึ้นมาปั๊บเนี่ยเราก็ถูเวทนาโดยถ้ายังหลับอยู่อย่างนี้ผมสังเกต น, นะผู้ที่มีสมาธิ ถ้าเวลาก็หลับเขาก็ไม่โยกแต่ถ้าตื่นขึ้นมาโยกอยึนนี่แสดงว่าไม่หลับดอกยังวนรับเครื่องรับเครื่งตื่นขันลับอีดีบ่หอกเลยเอเ๋อในสมัยพุทธากาลมีเยอะแยะพระนั่งนั่งลับจนเทวดาเงึดไปเทวดาเงึดพระนั่งลั บ, ลบเอซุ่มนี่ถูกงั้จะมานั่งอุังสังกญญาอยู่นี่ลูกศร แน่คนมาทุกข์กัตั้งหัวคำจนหสีแจงแตยังนั่งอยู่มันแมนบพราคนทุกข์สีนั่งไปดนฟันดีเวทเดยคนทุกข์มันนั่งบไปโดนมันนอนไปโดนมันกิ่งไปกิ่งมามันทุกข์มันยาเทวดาก็สงสัยเอ๊ะสมณะเนี่ยมีทุกข์หรือมีสุขกันแน่เว้ยสงสัยถ้าจะว่ามีสุขมีสุขอะไรไม่เห็นมีอะไรจะน่าเพลินเพนนั่งอยู่คนเดียวในป่า แต่แถมนั่งหลับตึง ข, ขึ้นมาก็จะนั่งอยู่ไม่มีอะไรน่าจะสนุกสนานเพลิดเพลิคนคงจะทุกมากกว่าแต่เมื่อว้คิดดูถ้าทุกทาไมนั่งอยู่เรื่อนา น, านเออคนทุกคนบันนั่งในดอนปนันนี้มันต้องปัดกุ้มมันต้องกระดุกกระดิกพริกแพงมันต้องแม้แต่นอนมันก็ไม่หลับน่าจะมีความสุขอาจัรนเอะมันแนวไทดาเทวดานื้อเนื้ ให้ไปถามสมณะท่านนั่งอยู่ลมหนาวลมเหนือล่องพัดผ่านใบไม้ก็หลุดร่วงหน้านี้เป็นหน้าหนาวท่านนั่งอยู่อย่างนี้ท่านมีความทุกข์อะไรบ้านของท่านไม่มีหรือญาติของท่านไม่มีหรือท่านอยู่อย่างนี้ท่านทุกข์อะไรเอาว่าญาติไม่มีญาติคือกิเลสแต่ที่อยู่เรามีบ้านเรามีคือวิหารธรรม หนตรง้มันมีความสุขแล้วมีความทุกข์ท่ า, าว่าแล้วท่านเข้าใจว่าเราเป็นอย่างไรเทาวดาบอกไม่เข้าใจจะว่าทุกข์ก็มือมีความสุขจะว่ามีความสุขก็ไม่น่าจะเพลิดเพลิอนอะไรนั่งอยู่เฉยๆท่านก็เลยบอกวา่าน it ันทิตโตวะทุกิโตโหมิทุกเคยวะโหตินันทิตโตคนมีความทุกข์นั่นแหละจึงไปเพลิดเพลินคนมีความเพลิดเพลินนั่นแหละจึงทุกข์ ทุกข์ไปหากินเหล่าไปหาเกิดเพื่อนมันทุกข์เลยท่นพวกไปหาสดทื่นบาลมันดอกไม้บานยามเช้ามันดอกค้าวข้าวบานเย็นก็เลืๆๆๆ ก, กึบกึทุกเกิดตายเลยท่านพระพุทธเจ้าว่าผุ้ทุชนผู้ไม่ได้เรียนรู้เมื่อถูกทุกขเวทนาเข้าบีบคั้นก็ไม่มีทางออกไม่มีนิ์สรณ ะ, ะปัญญาที่จะออกจากทุกขเวทนานั้น